กราบวัฒนนาพระอาจารย์อินทวายสันตุสโกได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาเป็นลำดับสืบไปขอเรียนเชิญพร้อมๆกันเลยครับ ต่อไปตั้งใจฟังอาตมาภาพคงจะไม่พูดอะไรญาติยืดยาวนะครับนักศายญาติโยมลูกหลานตั้งใจฟังกล้องถ่ายรูปถ้าขณะที่หลวงพ่อตั้งนโมไปแล้วกขอ็ขอให้อยู่ในความสงบก่อนและอยจะถ่ายค่อยถ่ายทีหลังขณะที่ถ่ายรูปกวบหลวงพ่อกำลังแสดงธรรม พอธรรมะของหลวงพ่อเป็นธรรมะป่าต้องการความสงบเงียบถ้าเอาว่ามีอะไรเสียงสีเสียงมารบกวนแล้วก็ธรรมะป่าของหลวงพอ่อเนี่ยจะวิ่งจุดเข้าไปในป่าดงพงไผยหายเงียบไปเลยเพราะนั้นเวลาหลวงพ่อจะแสดงธรรมหลวงพ่อจึงให้อยู่ในความสงบเมื่อความสงบแล้วหลวงพ่อจะมีอะไรก็จทได้ กาไรคณะั า, ธรรธายญาติโยมลูกหลานได้ฟังนะโมตัสสะปะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุท ธ, ธัสสะนะโมตัสสะปะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุท ธ, ธัสสะนะโมตัสสะปะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุท ธ, ธัสสะ ปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตะมังขยะวยธรรมมาสังขาราอปปมาเดนะสัมปาเดธาตีติวันนี้นับว่าเป็นวันสำคัญยิ่งของการปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมบูชาบุคคลที่ควรบูชาในท่านผู้ทรง เป็นผู้เป็นปูชนิยบุคคลอันเนื่องมาจากการดำเนินโครงการปฏิบัติธรรมญาณสังวรบูชาครบหนึ่งปีแห่งการสิ้นพระชนของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆปรินายกที่คณะ อำนวยการจัดงานบำเพ็ญกุศลพระศพได้จัดให้มีขึ้นตลอดวันเสาร์และวันอาทิตย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลอดเดือนตุลาคมพุทธศักราช2557ณพระตำหนักเพชรวัดบวร น, นิเวศวิหารกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะอย่างยิ่ง วันนี้ถือว่าเป็นวันพิเศษสำคัญยิ่งแห่งชาติการมงคลสมัยแห่งการประูติและเป็นเดือนแห่งพระจุติการที่เวียนวารมามบรรจบครบครอบปีเป็นปฐมวาลเป็นปีหนึ่งแห่งการสิ้นพระชนของปูชนิยบุคคลสำคัญยิ่ง แห่งวงการพระพุทธศา ส, สนาไทยและวงการพระพุทธศาสนานิกชนนานาประเทศด้วยอีกทั้งยังยอมรับนับถือกันว่าเป็นโอกาสแห่งการแสดงกระตันอยู่กะตเวทิตาธรรมสำคัญยิ่งที่บรรดาเหล่าศรัทธาพุทธบริษัททุกหมู่เหล่าจากได้ร่วมกันปฏิบัติน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา และสังฆราชบูชาบูชาองค์สมเด็จพระสังฆราชผู้ดำรงฐานะเป็นบุพการีผู้ทรงมีคุณประการสำคัญต่อพุทธบริษัทสมควรแก่การแสดงต่อพระเดชพระคุณเพื่อน้อมถวายเป็นสักการะบูชาด้วยการปฏิบัติธรรมบูชาดังกล่าว อันจักเป็นสลิโมงคลยิ่งต่อชีวิตของอย่างสูงสุดนั่นเองเดือนตุลาคมดังกล่าวแล้วได้รับการยอมรับนับถือเนื่องว่าเป็นวันสำคัญยิ่งในปฏิทินของเหล่าพุทธบริษัทสี่ผู้เคารพนับถือคุณพระรัตนตรัยในประเทศไทยด้วยเหตุสำคัญใหญ่หญสองประการด้วยกัน นั้นก็คือวันศุกร์ที่สามตุลาคมพุทธศักราช 2,456 เป็นวันประสูตรโดยเมื่อครั้งยังทรงพระชนชีพอยู่นั้นเหล่าศรัทธาพุทธบริษัทต่ตางได้ถือเป็นโอกาสสำคัญแห่งการแสดงความรื่มปรีติยินดีพร้อมเพียงกันมาบำเพ็ญกุศลด้านทานศีลภาวนา อันเป็นอามิจุบูชาบ้างปฏบิบัติบูชาบ้างน้อมถวายเป็นพระกุศลตราบกระทั่งวาระปัฉิมสมัยในปีที่ผ่านมาคือเป็นปีสุดท้ายพระชนสีบตึ่งตรงกับวันพระหัสที่24ตุลาคมพุทธศักราช2556หเวลา19เก ส0สบนขณะที่พระชนมายุได้ร้อยพันษากับ21วันปรวงพุทธบริษัทต่ตางก็ได้ประสบความทุกข์อย่างหาประมาณไม่ได้เมื่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระยาณสังบอสมเด็จพระสังคราชพระองค์ได้ชินพระสนด้วยอาการพระสงบ แล้วก็พระองค์ท่านเจ้าพระกุลท่านได้ทำคุณูปการให้กับพระพุทธศาสนากับประเทศชาติมากมายอนเนกอั น, นันต์สมัยก่อนเจ้าพระกุลสมเด็จท่านได้ขึ้นไปที่วัดป่าบ้านตาดไปเพราะว่าองค์หลวงตามหาบัวท่านจะว่าไปแล้วก็คือเป็นพระสหธรรมิก ที่รู้จักมักคุ้นในยุคสมัยนั้นอาตมาภาพเองก็เป็นพระน้อยอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดเพราะเราอยู่มาตั้งแต่ปี2512อาตมาภาพอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดเจ้าพระคุณสมเด็จสมัยนั้นท่านเป็นศ า, าสน์โสพลที่ขึ้นไปกับหม่อมหลวงจติตตินกพวงและเครือญาต แล้วก็มีท่านเจ้าคุณวินที่เป็นท่านเจ้าคุณที่ไปประกาศพระศาสนาทางอินโดนีเซียไปโดยการ3าสองค์ขึ้นนั่งรถตู้ขึ้นไปก็ับไปพักปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดอัตมาภาพเองก็ได้ดูแลคนนิบัติท่านเจ้าพคุณสมเด็จพร้อมกับคณะบางทีท่านก็ไปพักประมาณ1อาทิตย์แล้วท่านก็ได้ท่านกลับ กับคณะนานๆนนทั้งก็เมื่อโอกาสมีมีโอกาสพระองค์ท่านกับคณะก็ได้ขึ้นไปพักปฏิบัติรรอยูท่ที่วัดป่าบ้านตาดสมัยนั้นวัดป่าบ้านตาดก็มีพระประมาณสัก1ิบห้า1ิองค์ิบพอหวงตาท่านก็ไม่ได้รับพระมากโดยมากจะเป็นพระฝรั่งเกือบครึ่งโตครึ่งกับพระไทยแต่นี้พระฝรัง ทั้งหมดที่อยู่วัดป่าบ้านตาก็บวชจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระองค์ท่านเป็นพระอุปชาทั้งหมด เ, เมื่อบวชขึ้นไปแล้วท่านก็ส่งขึ้นไปอยู่กับองค์หลวงตามหาบูตั้งแต่พระท่านปัญญาวุฒโธ ท, ท่านพระอาจารย์เชอรี่อภิเจโตและก็่านเอี่ยนท่านเด็กด้นแล้วแต่บวชที่วัดบวรทั้งท่าน ที่ส่งขึ้นไปอยู่กับองค์หลวงตามหาบัวสรุปแล้วก็คือวัดบว ร, บ ร, บรนิเวศวิหารกับวัดปา่าบ้านตาดถ้าจะว่าไปแล้วก็คือสายทานเป็นการเชื่อมต่อกันคือเมื่อท่านใต้บวชพระผู้ใดสนใจในภาคปฏิบัติท่านเจ้าพระคุณสมเด็จท่านก็ส่งขึ้นไปที่วัดปา่าบ้านตาดเพื่อไปเรียนรู้เพื่อการศึกษา ในภาคปฏิบัติเรื่องจิตตภาวนานี่ก็คือความสัมพันธ์หรือว่าการเกี่ยวข้องกันในสมเด็จเจ้าพระกุลสมเด็จกระองค์หลวงตามหาบัวเพราะอายุของท่านก็ใกล้เคียงกันหลวงตามหาบัวท่านเกิดวันที่สิบสองสิงหาท่านเจ้าพระกุลสมเด็จก็วันที่สามตุลา เ, เนี่ย ก็ใกล้ๆกันก่อปีเดียวกันอีกต่างหากเพราะนั้นท่านจึงเป็นสหธรร ม, มิกไปมาหาสูงกันเมื่อท่านมีอะไรท่านก่อปรึกษาปาบรบกันในยุคสมัยนั้นพอมาครองสุดท้ายเมื่อท่านอายุต่างคนก็ต่างมีอายุมากต่างคนก็ต่างมีภาระทุระของแต่ละท่านแต่ถึงยังไงก็ต่างความสัมพันธ์อันลึก ที่รักเคารพนับถือเลื่อมใสซึ่งกันและกันเมื่อท่านเจ้าพคุณสมเด็จประส่วนอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาองค์ลงตาก็ได้มาการาบคารวะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นในรูปภาพที่ท่านอายุมากต่อมากมาการาบคารวะซึ่งซึ่งกันและกันอันนี้ก็คือความ เกี่ยวข้องกันในทางด้านเป็นอยู่พอต่อมาหลวงพ่อเองในฐานะเป็นพระลูกพระหลานก็ให้ความเคารพสักการะในเจ้าพระคุณโดยสม่ำเสมอทั้งแนวความคิดของพระ อ, องค์ท่านจะเป็นหนังสือหรือเป็นธรรมเทศนาของเจ้าพระคุณสมเด็จถ้าหากว่าท่านเทศในหนังสือเล่มใด หลวงพ่อเองอาตมาภาพเองก็จะได้เอานันเอาหนังสือเล่มนั้นเข้าเก็บไว้ในห้องสมุดเพราะว่าเป็นตำราหรือว่าเป็นแนวความคิดอย่างดีเยี่ยมเพราะเหตุใดเพราะว่าเจ้าพักคุณสมเด็จของเราในท่านเป็นปท .9 ทางปริยัติไม่มีใครที่จะเยี่ยมไปกว่าและจากนั้นท่านก็ลงมือปฏิบัติ ด, ด้วยเรื่องจิตภาวนาที่ท่านอธิบายเรื่อง สมรถะก็ดีวิปัสสนาก็าดีวิถีการเดินทางจิตใจก็ยอมรับว่าท่านเป็นผู้ละเอียดถี่ถ้วนมากและกับเรื่องกฎระเบียบเรื่องศีลและวินยัยท่านก็เป็นผู้เคร่งครัดเป็นผู้ตรัสน้อยอีกต่างหากพอเห็นอากับกิริยาของท่านแล้วเย็นตาเย็นใจ ที่หลวงพ่อเห็นองค์เจ้าพกุลสมเด็จเมื่อมีภาระอาตมาภาพเองเมื่อมีธุระหรือว่ามีภาระกิจนิมนต์เข้ามากรุงเทพก็ได้มาพักอยู่ที่วัดบวรบ่อยครั้งจากนั้นก็ได้มาแบบหลวงพ่อเองกับแบบแบบพระป่าพระดงเข้ามาพักอยู่กับเจ้าพกุลสมเด็จกับคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ ที่รับรู้จักมรคุณก็ได้มาพักอยู่ที่กุฏิหลงพ่อสาโรตั้งท่านกันตาสีโลบ้างที่มาพักอยู่ที่วัดบวรแต่บางครั้งก็ได้มาร่วมลงอุโบสถพราะว่าหลวงพ่อลงอุโบสถอยู่ในป่าป่าพระน้อยพระไม่มากอยู่องค์หลวงตาบางทีก็ยี่สิบ่สข้อองค์เท่านั้นเอง แต่มาเห็นอยู่ที่วัดปวบนะพระเป็นร้อยนะเข้ามาแล้วก็หลวงพ่อก็อเหมือนกับกะเลี่ยงเข้ามาในเมืองลักษณะอย่างนั้นแหะอพอหลวงพ่อเป็นพระป่าพระโรงทั้งดุนอย่างที่เคยเรียนให้ทราบพอเข้ามาแล้วก็มาที่โบสถ์วัดปวบออพอมานั่งคอยเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรนรัตน์องค์ปัจจุบันท่านก็เป็นพระ ผ, ผู้ใหญ่และก็สมเด็จท่าน เลขาของเจ้าพระคุณสมเด็จมาก่อนท่านก็นเรียกชื่อนะเรียกชื่อพระนะหลวงพ่อจะพูดพูดให้ฟังเรียนลำดับให้คณะสัตย า, ศ า, ศา ญ, ญาติโยงฟังพราะหลวงพ่อในสังเกตนะพอมาแลวก็เข้ามากล่าบพานั่งอุโบสถพอวันอุโบสถก็มานั่งพร้อมกันเขาดอยู่ที่โบสถ์วัดบว ร, บอรของเรา เ, เต็มไปหมดจากนั้นท่านเจ้าพรุณที่เป็นพระเถระผู้ใหญ่ ท่านก็ขานชื่อนะขานขานชื่ออย่างหลวงพ่ออีทนี่นามนามชายยาว่าซันตุสโก้ท่านก็ว่าซันตุสโกองค์นั้นก็ต่อว่าอากโตพันเต้ท่านหมดมาครับลกักษณะอย่างนั้นแหละหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อก็งงวนกันดนะพ่อรู้พ่อเป็นพระป่าใช่ไหมล่ะท่านก็เรียกเป็นองค์เป็นองค์งปัญญาวุธโธอภิเชโต เอออย่างนี้แหะท่านก็เรียกชื่อเล็กชื่อเรียกชื่อครับอากโต้ปันเตอกโตปันเตมาครับมาครับท้าองค์ไหนไม่มาเรียกสองชักสองครั้งไม่มาท่านก็ขีดเชื่อไว้องค์นี้ไม่มาเนี่แหละอันนี้หลวงพ่อก็มาเห็นกฎระเบียบในวัดบวรนิเวศพี่วะพิหารแห่งนี้นะคณะสาธาญาติโยม ที่หลวงพ่อไม่พูดให้ฟังพวกญาติโยมก็คงบางคนก็คงไม่ได้เข้าโบสถ์บ่อยนะไม่ได้ลงอุโบสถนะหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระป่ามานะจากนั้นเมื่อได้เวลาพอพร้อมพระสงฆ์พร้อมแล้วเจ้ากพกุณสมเด็จท่านก็เสด็จเข้ามาท่านก็มานั่งพอมานั่งท่านก็กราบพระกราบพระประธานพอกราบพระเสร็จแล้วพวกเราทั้งหลายก็นั่งประนมมือกกราบองค์ท่าน จากนั้นก็ท่านก็นั่งฟังพระปฏิโมกก็มีพระท่านที่ได้ปฏิโมกที่ท่านฝึกไว้แล้วนะท่านสมมุติไว้แล้วองค์ไหนองค์ส่วด น, นะท่านก็ได้กราบแล้วขึ้นไปแสดงพระปฏิโมกในถ้ำกลางสงฆ์แต่ท่านเจ้าพระคุลสมเด็จถึงท่านอายุมากขนาดนั้นนะท่านยังจับหนังสือปฏิโมกขนะ์ทบทวนนะกลางปฏิโมกข์เล่มเล็กๆท่านกา็อ่านไปตาม ให้แค่ว่าท่านทบทวนทบทวนตามองค์ที่สวดนะ่ะองค์สวดปฏิโมกนะ่ะท่านไม่ได้ปล่อยป่าละเลยนะให้แค่ว่าท่านติดตามการสวดนี่ถูกต้องไหมอย่างไงลักษณะอย่างนั้นแหละให้แ้าว่าท่านถึงอายุมากหลวงพ่อกมาเป็นบางครั้งมามาครั้งใดก็เห็นท่านจบพวกคุณสมเด็จนะเป็นผู้ใส่ใจไฟในกฎระเบียบในเมื่อท่านฟังจบลบลงแล้วนะ ท่านก็ให้โอวาตรแสมัยก่อนนะท่านยังหนุ่มอยู่ท่านให้โอวาตหลวงพ่อยังจำไม่ลืมโอวาทของท่านเกือบ20ปีนะการัตถา ญ, ญาติโยมที่หลวงเจ้าพระคุณสมเด็จให้โอวาตในวันนั้นหลวงพ่อบอกวา่าท่านบอกวา่าเออวัดบรวรของเรารู้สึกว่าคู่คนเข้ามาผ่านเข้ามาพุกผ่านออพุกผ่านขึ้นมาก มีคนผ่านเดินถนนพระเราที่จะออกมาจากกุฏิมาเดินกลางถนนมาที่กลางวัดนะ่ะควรจะคลองผ้าให้เรียบร้อยมันจึงจะน่าดูถ้าไม่คลองผ้าเดินออกมานะดูดูแล้วก็ไม่น่าดูนะเพราะนั้นขอให้บอกให้บอกทุกองคนะคห้องผ้านะเถิท่านรักษากฎระเบียบ ของวัดคล้ายๆผมมันก็ไม่งามจริงๆนะถ้ามีคนมากๆแล้วเดินใส่แต่ผ้าอังสะออกมาเนะี่ยท่านเจา้าคุณสมเด็จท่านพูดนะพ่ยังจำได้โอ้ชายอันนี้ถูกต้องนะจากนั้นท่านก็บอกว่าเรื่องสุกภูรีเราก็ไม่ห้ามทีเดียวนะท่านพูดในวันนั้นนะเราก็ไม่ห้ามทีเดียวเพราะว่าหมากก็ดีภูรีก็ดีเป็นมาตั้งแต่ ดึกดำบันเก่าแก่เราจะไปห้ามทีเดียวก็ยังไงอยู่เพราะว่าโบราณเขาก็สูบกันมาแต่มาถึงยุคนี้สมัยนี้เขามีการห้ามกันไม่ให้สูบบุหรี่แต่ยังไงก็าตามพระองค์ไหนที่สูบยังสูบอยู่ก็ให้สูบที่กุฏินะอย่าออกมาสูบเพ่นพ่านพอดูดูแล้วไม่ค่อยจะเหมาะเพราะโลกเขา เขาพูดกันอย่างนั้นเขาห้ามกันอย่างนั้นแต่เราจะไปห้ามทีเดียวว่ามันผิดทีเดียวก็ไม่น่าจะคิดอีกอย่างนั้นเหมือนกันเพราะบุรีกับหมากเนี่ยกระฉันมาตั้งแต่ เ, เก่าแก่มาแล้วนะอันนี้ก็ขอให้พระทุกองค์ให้ระมัดระวังนะงพ่อจำนะอันที่สามพวกพระที่บวชมาใหม่ที่บวชเข้ามาใหม่ ขอให้พระเก่าช่วยช่วยดูดูด้วยวางทีรับประเคนขนมในเวลาวิการข น, นมนมเนยพวกขนมพวกนมพวกอะไรอาหารผลไม้ในตอนบ่ายก็ไม่ควรจะรับประเคสก็ควรจะพระเก่าก็ควรจะแนะนำบอกพระใหม่ด้วยเพื่อไม่ให้ผิดต่อพินัยนี่แหละที่ท่านพูด ในตรัสในวันนั้นหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่ออืมซึ้งในจิตใจพระเจ้าพระคุณสมเด็จของเราเนี่ท่านรักษากฎท่านรักษาระเบียบท่านรักษาวินัย เ, เพื่อพระลูกพระหลานหลวงพ่อได้ยินแล้วหลวงพ่อก็จังนำไปบอกกล่าวแนะนำลูกหลาน้วยเราเป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อเองอันนี้ก็คือหลวงพ่อเพียงแต่เข้ามาเป็นบางครั้งท่านก็ได้ บอกกล่าวแนะนำหตวงพ่อได้ยินต่อต่อหน้าขา อ, องพระองค์ท่านที่โบสถ์ที่วัดบรวรแห่งนี้นะอันนี้ก็คือเรื่องกฎเรื่องระเบียบเรื่องวิทัยเจ้าพระคุณสมเด็จท่านเป็นผู้คร่งในหลักพระธรรมวิ น, นัยในกฎระเบียบแต่ส่วนเรื่องธรรมะธรรมะในภาคปฏิบัติให้พวกเราได้ศึกษาดูซิเมื่อสมัยก่อนครูบาอาจารย์หรือคณะสัตยาติโยม ที่ท่านอบรมเมื่อท่านยังพูดได้เดี๋ยวแนะนําได้ท่านคนเนี้ยพาศรัทธาญาติโยมทุกวันหลวงพ่อก็จําไม่ได้ทุกวันอาทิตย์กับทุกวันพระเนี้ยแล้วท่านจะแนะนําวิธีการภาวนาและจากนั้นก็นํามาประพฤติปฏิบัตินั่งภาวนาให้อบรมแนะนําสั่งสอนพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมสมัยนั้นก็รู้สึกว่า พี่น้องประชาชนให้ความเคารพให้ความสนใจเรื่องภาคปฏิบัติเรื่องจิตภาวนาอย่างมากเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะทศไทายญาติโยมทุกคนนะธรรมะที่องค์เจ้าพระคุณสมเด็จที่ท่านได้ตรัสไว้ใน MP3 สก็ยังมีเยอะแยะไปหลวงพ่อเองก็ได้เป็นทั้งหลาย เ, าเป็นละเป็นกล่องทีเดียวเลยที่สมัยหนึ่งที่ จากส่วนกลางได้ส่งขึ้นไปตามวัดต่างๆทั่วประเทศแต่หลวงพ่อก็ได้รับกล่องหนึ่งแต่หลวงพ่อก็ยังเอามาศึกษาเอามาฟังอยู่เหมือนกันจากนั้นก็หนังสือธรรมะที่ท่านอบรมแนะนําสั่งสอนเรื่องจิตตภาวนาเรื่องกฎระเบียบไม่ต้องพูดถึงเพราะกฎระเบียบอยู่ในหลักพระธรรมวินัยอยู่ในหนังสืออยู่แล้วศินสองรี่สิบของพระหรือศินห้าของยัดโยมหรือศิลอุโบสถก็อยู่ใน กฎระเบียบเราได้ศึกษาแต่เรื่องจิตภาวนาเนี่ยท่านแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวเรื่องสมถะจะทำยังไงและวิปัสสนาและทำยังไงอันที่ท่านก็ได้บอกในรายละเอียดเพราะเหตุายเพราะท่านได้ทั้งปริยัตได้ทั้งปฏิบัติเพราะนั้นท่านจึงเอามาผนวกกันที่ท่านได้ศึกษามาได้ได้ศึกษามาทางปริยัต ดูแผนที่พอแผนที่แล้วท่านก็เดินในเมื่อท่านเดินเดินตามแผนที่ได้รับผลอย่างไรอันนี้ท่านก็ได้มาทำเป็นธรรมลิกขิดให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาอันนี้ก็คือพวกเราถ้าอ่านไปมีหนังสือเยอะแยะที่เจ้าพระคุณสมเด็ดแนวความคิดของพระ อ, องค์ในธรรมลิกขิดของพระ อ, องค์ที่ดัน ได้เขียนเอาไว้น่าศึกษาน่าฟังเพราะนั้นหลวงพ่อเองถ้าเป็นหนังสือจองพระคุณสมเร็จแล้วหลวงพ่อจะเก็บไว้ในห้องสมุดเพื่อเป็นตําราเพื่อเป็นแนวศึกษาของพระโลกพระหลานต่อไปภายภาคหน้าอันนี้แหละก็คือที่อาตมาพาไปเรียนให้กับพี่น้องประชาชนจัตตาาญาติโยมที่หลวงพ่อได้มาเกี่ยวข้องกับพระ อ, องค์ท่าน หต่บางครั้งเข้ามาได้ฟ้ได้ฟ้ฟพระองค์ท่านก็ได้พูดเรื่องเล่าต่างๆที่วัดป่าเป็นยังไงมีศัตย์ศาลาสีอย่างไรรักษาป่าอย่างไงท่านก็ฟังฟังด้วยความจงใจท่านึกฟังด้วยความตั้งใจนะถึงเราเป็นพระเล็กพระน้อยเข้ามาหาท่านแต่ท่านพอเราพูดเรื่องป่าให้ฟังท่านให้ความสนใจเรื่องป่าการเป็นอยู่ของพระป่า ทำตนยังไงอยู่ยังไงนี่แหละอันนี้ก็คือเจ้าพระคุณสมเด็จที่ท่านให้ความสนใจในทางฝ่ายท้งฝ่ายปริยัติ ด, ด้วยทางฝ่ายพระป่าท้งปฏิบัติ ด, ด้วยเพราะนั้น เ, เจ้าพระคุณสมเด็จจึงเป็นปูชนยะบุคคลเป็นปูชนี เ, เป็นพระมหาเถระที่น่ากราบไหวเคารพสักการะบูชาของบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลาย ทั่วประเทศแลว่ทั่วโลกก็ไม่น่าจะผิดเพราะนั้นมาพูดเกี่ยวกับการภาคปฏิบัติที่เรื่องจิตภาวนาแต่นี้หลวงพ่อเองจ ะ, จะแสดงความคิดเห็นในภาคปฏิบัติสำหรับให้คณะสัตย า, าติโยมทุกหมู่ทุกกล่าวเพราะนานๆเรจะได้มาพบมาเจอมาเห็นคณะสัตย า, าติโยมอย่างนี้ แต่หลักธรรมคำสอนที่เจ้าพระคุณสมเด็จท่านได้ตรัสเอาไว้หรือว่าแนวปฏิปทาของพระธุรงกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นที่หลวงพ่อได้ศึกษาเป็นผ้าป่าสายผ้าป่าหรือว่าสายกรรมฐานท่านปฏิบัติอย่างไรแต่เข้ากันได้ ก, กับเจ้าพระคุณสมเด็จเรื่องปริยัติเรื่องสมถะและวิปัสสนาคาว่าสมถะคานี้จะทำอย่างไง แจะทําให้จิตใจสงบจิตใจให้เป็นหนึ่งอันนี้มีกรรมฐานของพระพุทธเจ้าที่ท่านวางไว้กรรมฐาน40กรรมฐาน40อย่างแล้วก็นอกจากนั้นไปอีกนอกจากกรรมฐาน40มีอีกอไม่ใช่จะจำกัดแต่กรรมฐาน40เท่านั้นยังเหนือเหนือกว่านั้นอีกอย่างที่พระท่านเทศให้พระจุระบรรทกกา เออเรียกว่าผ้าอันนี้จกกระปกหนอผ้านี้สะอาดหนอทีแรกผลในส่วกระพ่านี้ก็สีดําขึ้นมาก็เห็นอนิจจ์จากนั้น พ, พระองค์ก็ได้เออเอาดอกบัวให้พระติดสะเถระอีกท่านหนึ่งให้ท่านมองดูแพ่งความสวยงามจากนั้นดอกบัว น, นก็เศร้าหมองก็เห็นกฎอนิจจ์ จากนั้นเห็นพระเดินผู้รงมามาเห็นพยับแดดเห็นอนิจจังในพยับแดดท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นจากนั้นท่านเห็นฟองน้ําเห็นคลื่นน้ำอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ถ้าจะว่าไปแล้วก็คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าให้เห็นสรุปแล้วก็คือให้เห็นอนิจจังของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกขอนัตตามิใช่ตัวตนของเราอันนี้คือให้เห็นไตรลักษณ์เป็นที่สุด แต่ก่อนที่จะเห็นจุดนั้นจะต้องมีสมรถะคือทำจิตใจให้นิ่งสกักกอนการที่ทำจิตใจให้นิ่งคำนี้หละพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสรู้พระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพที่พุทธคยาในวันเดือนหกเพน่้นนะพระพุทธองค์ทำอย่างไรอันนี้พวกเราควรจะศึกษาอย่างยิ่งเพราะเราจะไปพูดแต่ปลายองนั้นเป็นอย่างนั้นองนี้เทศอย่างนี้ ก็มีมากหลากหลายแต่ตามไม่จริงเราต้องฟังแนวแถวของพุทธสะสกนเพราพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือนหกเพนในวันนั้นพระพุทองค์ทำอย่างไรอันนี้พวกเราจะต้องศึกษาในรายละเอียดเพราะพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในพุทธประวัติพูดอย่างละเอียดว่าเย็นวันนั้นพระอาทิตย์ยังไม่ตกดิน ค ง, ย, งยังไม่ตกดินะเพราะว่านายโสธิยะเพิ่งไปเกี่ยวหญ้าหญ้าคาหาบมาคงจะไม่มีไฟฉายคงจะไม่มีไฟอะไรเดินผ่านมาก็คงจะใกล้ค่ำพอไปเกี่ยวหญ้าแนละ้วก็ผ่านเดินผ่านมาเห็นสิทธัตถานั่งอยู่ตามลําพังอยู่โคลนต้นโพต้นโพเราก็รู้ว่าต้นโพนี่จะมีรากแก้วรากฝอย ลากฝอยออกมาตะปุ่มตะปาพอลากโพก็อย่างพวกเราเคยเห็นโสธิยะเห็นสิทธทานนั่งอยู่ตามลําพังก็คงจะไม่สบายนายโสธิยะก็ได้นำย่าคาแปดกรมือมอบให้กับสิทธถาก็คงเห็นกันแล้วก็คงจะเกิดความรบกับถือเรื่มใสว่าท่านนั่งอยู่ได้ยังไงถ้ารากโพมันตะปุ่มตะป่ำอย่างนี้ก็คงจะมอบให้8กํามือ สิทธะท่านได้ย่าคานายกับนายโสธิยะแปดกำมือท่านก็หามุมหามุมทิศจะนั่งท่านก็ได้มองมุมทางทิศตะวันออกของต้นโผพจากนั้นท่านก็ได้เกลียย่าคาแปดกำมือคงจะสลับหัวสลับท้ายมั้งสลับหัวสลับผางให้เป็นอาสนะจากนั้นเมื่อทําเสร็จเรียบร้อยแล้วพระพุทธองค์ก็ขึ้นไปนั่ง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 มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกคืออยู่ที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกไม่ได้ตามลมเข้าไปในท้องและก็ไม่ได้ตามลมออกไปมีสติสัมปชัญญะในลมกระทบที่ปลายจมูกมีสติอยู่ตรงนั้นจากนั้นพระไทยใจของพระ อ, องค์ไม่ได้คิดถึงอดีตไม่ได้คิดถึงอนาคตใจอยู่ในปัจจุบัน พระไทยของพระ อ, องค์รวมสงบนิ่งรวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อจิตรวมสงบลงเป็นหนึ่งเกิดญาณทัทนะเกิดฌานขึ้นมาพระ อ, องค์มีฌานมีญานมีความรู้ขึ้นมาล้ำลึกชาติผลหลังได้ยเยัว่าปุเพนิวาสานุจติยานละลึกชาติผลหลังได้ให้พวกเราพุทธบริษัททั้งหลายให้คิดว่าในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยทำคำสอนของพระพุทธเจ้า บอกได้เลยว่าตายแล้วไม่สูญถ้าว่าตายแล้วสูญพระพุทธองค์จะระลึกชาติทวนหลังได้อย่างไรที่ระลึกชาติทวนหลังได้เพราะว่าตายแล้วเกิดนี่พระองค์เมื่อระลึกชาติทวนหลังพระองค์ก็ระลึกชาติของพระองค์ว่าชาติที่แล้วนี่เรามาจากไหนจากนั้นก็มีสิบชาติห้สบชาติห้าชาติที่พระองค์เสวยพระชาติในภพภูมิต่างๆพระองค์ก็ได้เอามา บอกกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษานี่แหละอันนี้ก็คือจุดที่พระ อ, องค์ได้ตัดรู้พระอนุตตร ะ, ะได้เกิดได้ฌานทีแรกก็คือปุปเพนิวาสานุจติญาณอริลลชาตคุณหลักได้พอถึงเที่ยงคืนพระ อ, องค์ดูดูคนอื่นเมื่อได้ยาณรัตนะที่สองขึ้นาจุตูปป า, ปาตาญาณการจุดติของสรรพสัตว์ทั้งหลาย ท่านมองเห็นว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายมาจากไหนมาเกิดมาเกิดแล้วทำไมไม่เหมือนกันอบางคนก็รูปลักษณะต่างกันบางคนก็สติปัญญาต่างกันฐานะต่างกันมันต่างกันไปมากหลาดหลายเพราะทำไมไม่เหมือนกันเกิดเป็นมนุษย์เหมือนกันพระองค์บอกว่ากรรมคือการกระทำอบกรรมคำนี้นะจาแนกสัตว์ให้เป็น ไปต่างๆนานาใครทํากรรมดีกรรมดีจะให้ผลถ้าใครทํากรรมชั่วกรรมชั่วก็จะให้ผลไปในทางทุกข์ถ้าใครใครทํากรรมดีกรรมดีคนนั้นก็จะไปให้ผลไปทางสุขเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสพอมาช่วงหลังปท่านให้โอวาทปฏิโมกว่าอาาัคตังทุกตงังเสยโยปัจชาตปฏิทุกตงัง กรรมชั่วอย่าทําซะเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อเราทําลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผลพวกเราจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่แหละอันนี้ก็คือพระพทุทธองค์มองเราสรพรพสัตว์ทั้งหลายเป็นมาและเป็นไปด้วยกับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่าเมื่อเราคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วแล้วต่อไปภายภาคหน้าพวกเราจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่แหละ อันนี้ก็คือถึงเที่ยงคืนพอถึงจวนสว่างพระพุทธองค์ก็ได้ตัดสู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณรู้ว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วเราจะไม่เกิดอีกแล้วอันนี้ก็คือพระธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะในวันเดือนหกเพ่นนั้นท่านได้ตัดสู้ทำสามอย่างปุเพนิวาสานุจติญาณตอนหัวค่ำจุโตปปตาตญาณตอนเที่ยงคืน อ, อาสาวขยญาณ พระองค์ตัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากพระไทยของพระองค์ประกาศว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายอันนั้นคือท่านได้ตัดรู้จวนสว่างนี่แหละอันนี้ก็คือทมคำสอนแต่ที่มาพูดถึงแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนออท่านก็ยึดในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกกล่าวให้กับพวกเราเ อ, อ, อย่างองค์หลวง ปู่มั่นก็ดีเจ้าพระคุณสมเด็จของเราก็ดีที่ท่านได้อ้างอิงพระธรรมคำสอนแล้วก็มาบอกกล่าวว่าเออพวกเราท่านทั้งหลายถ้าจะภาวนากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกมันเผลอได้ง่ายมันหลุดได้ง่ายมันหลงลืมได้ง่ายควรจะสำทับด้วยพุทโธด้วยนะอันนี้คือกรรมฐานหลวงหลวงปู่มั่นให้ภาวนากรรมฐานว่าหายใจเข้าพุท หายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทให้มีการบริกรรมด้วยอันนี้ก็คือหลวงปู่มันแต่ลกท่านเจ้าพระคุณสมเด็จท่านก็บอกว่าภาวนาอย่างนั้นก็ได้หรือว่าให้นับอีกก็ได้ท่านให้วิธีการนับนับถึงนั บ, น บ, น บ, นบสองอจนถึงนับลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้ก็คือเจ้าพระคุณสมเด็จท่านก็สอนในวิธีการ ภาวนาสําหรับพวกเราท่านบอกว่าเหมือนกับน้ำํำถ้ามันไหลธรรมดาเราก็พายเรือได้แต่ถ้าหากว่ามันไหลเชี่ยวน้ําไหลเชี่ยวเราก็ต้องทอด้วยคล้ายๆวัดต้องมีคนทอเอาไม้ค้ากับพื้นยันขึ้นไปด้วยเพื่อให้มันต่อต้านกับน้ําที่มันไหลเชี่ยวอันนี้ก็เหมือนกัน ถ้าว่าช่วงไหนใจของเราได้รับความสงบพอสมควรเราก็ไม่ต้องไม่ต้องบริกรรมก็ได้ให้กำหนดแบบเบาๆไปแต่ถ้าว่าเราในช่วงไหนที่มันปนป่วนจิตใจมันไม่อยู่กับที่ต้องตั้งสติให้ดีแล้วก็บริกรรมให้ถี่ให้ดูกดูให้ดีให้เข้าดูใจของตัวเองเองแหละอันนี้ก็คือให้รู้จัก วิธีการปฏิบัติสำหรับตนเองเรื่องจิตภาวนาแต่ถึงยังไงก็ให้ยึดตามแนวแถวของครูบาอาจารย์ให้ภาวนากำหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโถในเมื่อเราภาวนาจิตใจของเราจะเข้าสู่ความสงบเมื่อเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วนี่แหละคณะสัตยา ญ, ญาิโยมลูกหลานนะพวกเราไม่ต้องถามใครละ เมื่อจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิจิตรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วนี่เราไม่ต้องถามใครตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูมรู้ชัดรู้ได้ด้วยตนเองเราไม่ต้องถามผู้ใดรู้ได้ด้วยตนเองเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าทว่าวธรรมะปัจจัดตังผู้ปฏิบัติย่อมรู้ด้วยรู้ได้ด้วยตนเองจริงๆง เ, เมื่อเราจิตใจของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่งหลวงพ่อก็เลยเปรียบเทียบให้คณะสัตธาญาตโยมที่ฟังทั้งหลายหลายครั้งต้อนรับหลวงพ่อว่าพ่อยุคสมัยนี้พวกเราไปที่ไหนพวกเราก็คิดถึงรถก่อนนะพอนั่งรถเนี่เป็นปัจจัยที่ห้าของพวกเราไปที่ไหนจะไปที่ไหนเราก็ต้องคิดถึงรถนั่งรถไปเพราะฉะนั้นหลวงพ่อว่าในเมื่อจิตสงบลงไปเนี่ย เราจะเห็นได้ชัดนะคณะทัดทยญาติโยมโ ล, ลูกหลานนะร่างกายของเราเหมือนกับรถแต่จิตใจเหมือนกับโซเฟอร์รถตัวนมามะธรรมแต่ถ้าว่าเราจิตใจของเรายังไม่สงบเราจะแยกไม่ออกว่าใจตรงนั้นอยู่ที่ไหนตรงไหนอย่างไรในเมื่อเราทำจิตสมาธิให้จิตรวมสงบแล้วอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้นั่งที่โคนต้นโพธิว่าปุกเพนิวาสานุจติญาณ เมื่อพระไทยของพระ อ, องค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งพระ อ, องค์รู้ได้ด้วยพระ อ, องค์เองว่าร่างกายกับใจเนี่ยเป็นคนละอ่านกันเหมือนกับรถอย่างที่หลวงพ่อได้พูดอาตมาภาพได้พูดว่าร่างกายเหมือนกับรถแต่จิตใจเนี่ยเหมือนกับคนขับรถแต่พระพุทธเจ้าท่านให้ความสาคัญเรื่องโซเฟอร์รถนี่มากกว่ารถทาไมจึงท่านจึงให้ความสำคัญเราจึงรู้ได้อย่อยอยางไร เพราะพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่ามโนปุพังขมาธรรมามโนเสธามโนมายาเรื่องทั้งทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจก็เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญเรื่องโซเฟอร์เรื่องของใจมากกว่าเรื่องของกายเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้สังเกตดูอาหารกายอย่างหนึ่งอาหารใจอย่างหนึ่งนะทิน อาหารกายก็คืออย่างข้าวน้ำโภชนาอาหารอาหารใจคือเหตุผลคือหลักธรรมะจะทำยังไงจะทำให้จิตใจอิ่ ม, ม, มพิจารณาอย่างไรดูอย่างไรไม่ยึดมั่นถือมั่นอย่างไรปล่อยวางอย่างไรทำใจให้สงบอย่างไรนี่แหละอาหารของใจกอาหารของกายเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายอาหารของรถคืออะไร คือน้ำมันน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองอะไรอย่างลักษณะอย่างงั้นคืออาหารรถแต่อาหารคนอะทนายอาหารคนคนจะไปกินอาหารรถไม่ได้โซเฟอร์จะไปกินอาหารของรถไม่ได้อาหารของรถก็คือน้ำมันอาหารของคนก็คือข้าวน้าโภชนะอาหาร อันนี้ก็เหมือนกันลักษณะใจกับกายกายกับใจอาหารของร่างกายเหมือนกับเนี่ยปัจจัยสี่ผ้านุ่งห่มอาหารการบริโภคยากแก้โรคภัยไข้เจ็บที่พักพำอาศัยคือบ้านเนีอันนี้คือปัจจัยสี่ของร่างกายแต่อาหารใจอาหารนามธรรมนะคือศีลธรรมหรือสมาธิ แนวความคิดคิดยังไงจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิคิดยังไงเป็นมิจฉาทิฏฐินี่แหละพวกเราจะต้องศึกษาในเมื่อศึกษาแล้วกันเนี่ยศึกษาตามแนวแถวที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนว่าอาหารของใจคือนั่งสมาธิน ะ, ะนั่งขัดสมาธิคืออย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่า น, น, นไดพ้พาดาเนินมา จนเป็นพระธรรมคำสอนออกมาท่านทำอย่างไรในวันตัดรู้วันนั้นนี่แหละอันนี้ก็คือแนวแถวของพุทธะที่พระพุทธเจ้าหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะทาญาติโยมทุ ก, ท, กท่านนะเรื่องสมถะนี่แหละจิตทำจิตใจให้สงบนี่ะอริกรรมกรรมฐานอะไรเมื่อจิตใจของเราสงบเป็นพื้นฐานแล้วเราจะเดินวิปัสสนา ยังค่อยเดินวิปัสนาบางคนก็บอกว่าเมื่อจิตสงบแล้วมันจะเกิดวิปัสนาเองอย่างนั้นใช่ไหมไม่น่าจะใช่นะถ้าว่าเป็นพวกขั้นคิพปพิญญาพวกรู้ไดเร็วอันนั้นได้พอจิตสงบเข้าไปแล้วก็จิตใจมันไหลเร็วเข้าไปหาวิปัสนาเลยแต่ตามไม่จริงโดยมากจะไม่โดยมากทันทาภิญญาเนี่ยโดยมากเมื่อจิตสงบแล้วต้องถอนออกซะก่อน ยังนำมาพิจารณาทางด้านปัญญาเดินวิปัสสนาอีกอย่างหนึ่งอันนี้เราต้องศึกษานะเพราะวิชาทุกอย่างเออเทียนวิชาเขาเรียนหมอฟันอย่างเดียวนะเขาต้องเรียนตั้งปีนะเพียงเรียนฟัน32มซี่ในปากของเราเนี่ยเขาต้องเรียนนั้ปีอันนี้เรียนชํ่มละกิเลสภายในใจของเราเนี่ยเราจะไปเรียนมุมมับมาบเนี่ยหน่อยเดียวไม่ได้นะเราต้อง เรียนให้กว้างขวางเรียนให้ละเอียดถี่ถ้วนที่จะชำระกิเลสราคะโทสะโมหะออกจา ก, ก จ, จิตใจถอนรากถอนโคนจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเราต้องศึกษาต้องเรียนรู้และก็ต้องประพฤติธปฏิบัติให้ดีนั่นะความสำเร็จก็จะสมความมุ่งม า, า, า่นปรารถนาอาตมาภาพได้ยกเป็นพุทธภาสิตเบื้องต้นว่า ปูชาจะภูชนียานัน่งแปลว่าบูชาบุคคลที่ควรบูชาเจ้าพระคุณสมเด็จของพวกเราเป็นบุคคลที่ควรบูชาอย่างยิ่งแล้วก็ต่อออกมาที่ยกขึ้นมาว่าขยะวยธรรมมาสร้างค้าราอัปมาเดนะัมปาเดธาติ ความหมายและความแปลว่าขายัยวยะรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เทียงเกิดแก่เจ็บ้วก็ตายในที่สุดเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้ไปยังประโยชน์ชนตนประโยชน์ตนก็คือน ะ, อะแล้วก็ประโยชน์คนอื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ตนก็นบําเพ็ญทานศีลภาวนาอย่าได้ขาดตกบกพรองแต่เมื่อเราบาเพ็ญทานศีลภาวนา แล้วก็ช่วยเหลือชุมชนสังคม อ, อันไหนพวกที่จะช่วยเหลือชุมชนช่วยเหลือกันได้ก็ให้ดูแลพึ่งพาอาศัยซึ่งกันละกันเพราะพวกเรามนุษย์ชาติที่อยู่ด้วยกันต้องพึ่งพาอาศัยกันให้รักกันมนุษย์ชาติเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านคณะสัตธาญาิโยมทุกคนเมื่อได้ยินแนวธรรมเรืวว่องหลวงพ่อได้กล่าว ทำคำสอนในวันนี้ก็เห็นว่าสบควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยอำนาจบุญบา ร, รมีเจ้าพ่คุณสมเด็จที่ท่านได้บาเพ็ญมาด้วยดีตลอดยาวนานขอให้มาคุ้มครองพวกเราลูกหลานคณะสัตย า, า ญ, ญาิโยมทุกหมู่เหล่าจงประสบแต่ความสุขความเจริญ ทั้งคดีโลกและคดีธรรมปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมข อ, ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกทุกท่านโดยเทอญ